มีโรคอยู่หลายอย่างร่างกายมีทุกมากมีโทษมากเราอาพาธต่างๆย่อมตั้งอยู่ในกายนี้ในคิรมานนทัศูดพูดมากอธิบายมากสูตรของพระคิเลมานนที่ท่านอาพาธที่พระบรมศาสดา ให้พระอานุนไปเทศอาทิณวสัญญาคือความเป็นโทษแหกกายมีโรคมากเดี๋ยวนี้โรคหัวใจเอ๋ยโรคลูกหมากโตเอ๋ยโรคถุงน้ำดีเป็นนิ้วเอ๋ยโรคไส้เลื่อนเอ๋ย โรคภูมิแพ้เอ๋ยโรคชื้ราเป็นหัวจักเขาเขาบอกว่าขอไปด้วยขอไปด้วยเขาก็ไปด้วยโรคชืราเป็นหัวจักเขาโรคไส้เลื่อนเป็นมาแล้วสองพันห้าร้อยยี่สิบสองเขาเอาไปจนถึง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 ใครใครเอาอยาที่ไหนมาให้ก่าฉันทับๆๆกทเดี๋ยวมันเกินไปนะหลวงปู่นะเขาบอกลูกๆจะเอาไปเช็คโรคว่าสมควรจะเพิ่มโรคอะไรจึงฉันยานะหลวงปู่เขาไหวดีเหมือนกันเออถ้าอย่างนั้นก็ไปแบบฝืดๆไปวันนั้นกับวันนั้นไป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 คุณหมออด ม, มาด้วยมาลกวนที่มารลกวนขาที่ตัดเนี่ยและก็เล่าให้เล่งเรียนให้ฟังขอเิียงวอนไว้พราะในตั้งสัจจะไว้แล้วทีนี้ซ้ำท่ายมีห้าเรื่องหกเรื่องเก็ดเรื่องเรื่องนักหน้านีอเรื่องสุดท้ายมันเป็นเรื่องของพระบารมีราชาอีกคนอเซึ่งเกี่ยวกับคุณหมอ เราก็แก้อีกขวายพระพรแก้ก็เลยตกมาเยๆเยยๆเยยๆนี่เรื่องนี้หนักมากเนี่ยเรื่องนี้หนักมากแก้ตกแล้วเนี่ยไม่นึกไม่ฝันเลย ไม่นไม่ฝันว่าคนป่าคนดอยจะแก้ปัญหาอันนี้ได้อ่ะอ่านอาให้เพื่อนฟังคนป่าคนป่าแก้ปัญหาพระนครหวงพระป่าพระดอยถูกไหมล่ะถูกอ่านอ่านสวาท่านให้ท่านฟังกำคล้ายกำเออกำนึงคร้กำมัน เราขี่มูอลาเชี่ย ม, มะแห้งท่านก็ยังมาอีโนอีเนกับเราอยู่ก็เป็นบุญอันล้นเหลือแต่ว่าเรารักคําสัตย์ยิ่งกว่าชีวิตนี้เป็นของสําคัญมากสัจจะประมัตถะปารมีสัมปันโนจะตายด้วยตั้งสัตว์ไว้ก็ย้อนตายเรียวกว่าสัจจะประมัตถะปารามีสัมปันโน อธิษฐานไว้แล้วอธิษฐานนภาธรรมะปารมีสัมปนันโนจะตายด้วยอธิษฐานก็ยอมรับเรียกว่าอธิษฐานนภาธรรถปารมีสัมปนันโนทีนี่กล่าวเรื่องอื่นต่อไปนี่นอะไรที่พระป่าพระเขาโง่เง่าเาต่าตนทําไมถึงตอบได้ ด่วยอันน่าธรรมะของเราที่ปฏิบัติมาเราก็ตอบได้สิเพราะเจตนาของเราเป็นอย่างนั้นถ้าเจตนาดักแปลงเราก็ตอบไม่ได้อาจหารต่อความซื่อสัตย์ของตนต่อเจตนาของตนที่เป็นอย่างนั้นเอา้าเอาอันอื่นไปเอกทีนี้ หมดปัญหานะหมดปัญหาไหมหมดแล้วท่านอาจารย์แบรนมานิมนต์ให้ผ่าให้ตัดขานั่นน่ะไม่ได้ผ่าได้ตัดหายโกรธแล้วหรือยังโกดไมหมข้านั่นหายโกรธแล้วหรือยังไม่ได้โกรธนะท่านอาจารย์แบรนกามาต้อมา คุณหมออุดมก็มาเออถ้ากล่าว่าหายหายแล้วขอบพระคุณมากนคุณหมออุดมแกก็โกรธบ้างโมหะสัจจะแกก็พูดอย่างนั้นก็ยอมให้แกพูดซะหรือถ้าแกไม่โกรธก็ไม่ทราบคุณหมออุดมยังไหมทุกณเนี่ยไปแล้วฮะท่านยังไหมสุกวันจู่รู้รู้รู้สึกแกยังออยังไหม เอายังอยู่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อบรนทุกปัญหาไม่มากที่ปัญหามากพระเหตุใดก็พระเหตุว่ากิเลสมากปัญหามันก็มากความมุ่งหมายมากปัญหาก็มากความไม่มุ่งหมายมากปัญหาก็ไม่มากเมื่อทราบดีว่าโลกเต็มไปด้วยกองทุก มีอันนี้จังทุกขังอนัตตาผูขาดจองขาดประจําโลกทั้งหลายอยู่แล้วทั้งโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันด้วยสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่จักรมาพระเจ้าหกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปปร้นที่หกชั้นและอรูปพร้นสี่ชั้นโลกทั้งหลายที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณก็ย่นลงมาเป็นสังขารโลกแล้ว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 พร้อมกับลมเข้าออกแล้วชะไหนมันจะมีปัญหาอีกว่านั่นนั่นนั่นที่ไหนนั่นลงที่ใจนี่ที่ไหนนี่ลงที่ใจของผู้ฟังและผู้พูดนั่นเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้เมื่อเป็นแดงนี่ปัญหาจะมีอะไรอีกมากนักนัก ความหวังในโลกทั้งปวงความเพลินในโลกทั้งปวงก็ต้องห้ามเบรกสิถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่เห็นเรียกว่าเห็นตามสัญญานะักหนะักนะักเมื่อใดเห็นสังขารว่าเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพร้อมกำลมออกเข้าแล้วเมื่อนั้นย่อมนายในทุกนั้นแหละทางแห่งวิสุทธิ นั่นแหละทางแห่งศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิกรงตื่นกันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนั่นๆัไม่ต้องบัญญัติมากก็ได้นั่นๆันั่ น, นบางท่านบอกว่าเอ้ยดิฉันกับผมภาวนามันไม่ข้ามเวทนาเออมันเต็มทีแล้ว เออถ้าสำคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้าเวทนาไม่ได้ถ้าว่าไม่สำคัญอย่างนั้นแล้วมันก็ข้ามอยู่ในตัวห น, นักนักนักจิตของดิฉันจิตของผมมันไม่ว่างสำคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ไม่ว่างสินอะอะไรที่นี่พูดเรืออื่นทชนี้ นิมิตแปลว่าเครื่องหมายนิมิตในพระพุทธศาสนามีอยู่สองอย่างเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ารูปนิมิตเพ่งอารมณเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าอารมณ์นิมิตนิมิตทั้งสองเกิดขึ้นก็ไปเวาแน่แต่แลายนั่นนั่นนี่นี่นี่นี่นี่นั่นนัั่ น, น, น, น, น, นถ้าภาวานในอดีตก็ต้องไปเห็นนรกสี เขาไม่ยินดีแนะ่นรกแล้วทํำไมเขาเห็นทําไมนรกมันเกิดขึ้นแล้วแปลภวไดแตกเสียดายมันเป็นทุกข์ถ้าพามันในนาดีก็ต้องไปเห็นพรหมมโลกสิพรหมมโลกมันอยู่ใต้อำนาจอันนี้จังทุกขังอนัตตาเขาเห็นทางปัญญาแล้วยสมัญตจักจุจักจกุรอบคอบปัญญาจักจุจักจกุคือปัญญานั่นนั่นนนั่นนั่นนนั่นเออบางท่านก็บอกว่าพระศีริยะเมตไตรลงมาก็ลงมาสิหลอกกินขนมเขานั่น ภาษีอะรเมีไตพิบ้าอะไรจะลงมานั่นั่งนั่งเพราะภาษียาเมียไตไปนี่มันไม่พอสามเดือนในชั้นดูสิตธอีกเสียด้วยพราษียาเมีไตจะได้ลงไปเกิดในเมืองพาราในสีเดี๋ยวนี้พาเทวบุตรเทวดาไปไหว้ท่าเจดเดจ้าจุลมาเนีประจำวันอยู่เจ็ดแสนโกรธนันันั เราไปโกหกกินขนมขเขาก็ลงมาสิเยวังเอาละเจนี่ถูกไหมล่ะท่านอาจารย์เบนเอถูกไหมล่ะชียเทปไปอย่างไรกนหรือไงชียเทปดอกเจนี่จะว่าอะไรก็ว่าซักเนี่มีคนเดียวพูดมันเบื่อหู มือเมื่ออยู่ได้สักน้อยมือได้สักนอยอ่ะอยากฟังเอกเลยอดีตคืออะไรอืมไม่ต้องเอาละอืมอันอื่นมันมันใกล้มะมันดังเกินไปอดีตคืออะไรไม่ต้องว่าหนึ่งสองสามหรอกโลย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 เป็นสภาวะทำเป็นกลางเป็นสังขารอันละเอียดแล้วไม่ต้องทำท่าทำทางวางจงทำจิตให้ว่างต้งทำจิตแห้ว่ามักพูดกันบ่อยเมื่อสำคัญจิตว่าเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ไม่ว่างถ้าไม่สำคัญจิตว่าเป็นตนตนเป็นจิตแล้วมันก็ว่างเองมันไม่ต้องทำท่าทำทางเช่นเราลืมตาขึ้นเหมือนกัน ไม่ต้องทำกิริยาให้มันเห็นมันเห็นเองมันมันว่างมันเห็นสว่างเองมันกิริยาที่ลืมตากับผลของการลืมตาไม่อยู่ห่างกันพอก้ามีในคณะเดียวกันเลยเหตุกับผลก็ไม่อยู่ห่างกันพอเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุฟังผลก็ฟัง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 ว่าจะปกครองกันด้วยวิธีไหนล่ะประชาที่ปตัตไตประชาที่ปฏิไตพระพุทธศาสนาเป็นประชาเป็นธรรมาที่ปไตไททุกยุคทุกสมัยของโลกแต่ชาวโลกขี้โอขั้งปลาค้อนข้ามต้นมะม่วงไม่เอามาปฏิบัติ พระบรมศาสตายืนยันแล้วทำเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างที่ดีความละอายต่อบาปโอตะปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปเท่านั้นจะปกครองโลกได้ถ้าโลกไม่มียาอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายกดหมูกดพักกดพวกก็ตั้งไม่ยุ ความคำไม่นําคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทําความชั่วในที่แ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รักนั่นนั่นนั่น น, น, น, นั่นที่ไหนนั่นที่ไกลของผู้ฟังและผู้เทศนั่นออกไปทางอื่นมันก็มาไปมันก็โค้กมาหาผู้ฟังและผู้เทศนั่นเพราะมันออกไปจากไกมากมันก็มากออกไปจากไกน้อยมันก็น้อยออกไปจากไกย่นก็ย่นลงมาหายไกลนั่น ศีลมีตัวเดียวคือตัวใจสมาธิมีตัวเดียวคือตัวใ จ, วววใจปัญญามีตัวเดียวคือตัวใจย่นศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาลงมาในใจเป็นเอกนิบาตเอกนิบาตแปลว่าทำมีบทเดียวนะกแปด0มื่นชี้พระธรรมมาขันพระหูวัจนะพระพูดมาก ไอ้แค่โยนลงมาหาใจเลยมโนภพังขมาธรมามโนเศรษฐามโนวิญาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่วิัยทั้งหลายก็มีใจเป็นใหญ่สมาธิทั้งหลายก็มีใจเป็นใหญ่เหมือนกันนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ใจของแต่ละท่านแต่ละคนนี่เองนั่นนั่ไตรสิขา ไตรชิกขาคือศีลสมาธิปัญญาตั้งอยู่ที่ดวงใจแต่ละท่านแต่ละคนพระไตรปิฎกถ้าว่าเป็นสามก็กายวาจายใจถ้าว่าเป็นสองก็กายกับใจถ้าว่าเป็นหนึ่งก็ใจถ้าว่าเป็นสี่ก็อริยสัจสี่ถ้าว่าเป็นห้าก็ขันห้าถ้าว่าเป็นหกก็อายตนะภายในภายนอกหกมันก็ขยายออกไปจากนี้เราจะนับถึงราดถึง อสงไขยก็าตามก็ออกไปจากรักหน่วยจะย่นลงมาก็ย่นลงมาหารักหน่วยคือรักจิตรักใจของเรานี่เองที่สมมติว่าเราเรานี่เองเทศอยู่ 45, สี่ถห้าพันษาเทศผู้นั่นอยู่เมืองนั่นเทศผู้นี้อยู่เมืองนี้เราอามารวมไว้ไอ้ที่เทศก็มีศีลสมาธิปัญญาอันเดียวนั่นเองประถมพธิกาล ที่พระ บ, บ, บ, บมะรมศาสดาเทศแสดงธรรมะจักรพรรดนาสูตรปาราชิกสี่ยังไม่มีสังฆาทิเศษที่สามยังไม่มีอนันนยอดสองยังไม่มีนิสเกียปยจตี30มสีปตีก็สองปยจตีสัญญาสี่เศษสี่วัดยัิห้าก็ยังไม่มีอธิกรณะสมรรถเก็บก็ยังไม่มีช่ไหนจึงถึงพระโสดาบันเช่ไหนจึงพ้นจากกองทุกข์ได้ด้วยรวมลงในอนิยสัตตสี พระเหตุว่าทำแต่ละบมดละบาทมันครบพระไตไปหลกอยู่แล้วเช่นธรรมจกักรพระวัตนสูตรมันก็ครบใจพระไตไปหลกอยู่แล้ว อัด ท, ทั้งคีโกมัดโพเซที่ทางสัมมาดิเตสัมมาสังโฆสัมมาวาจากรรมันตุอจิโวัยามุสติสมาธิมันย่นลงในไตเสียขามันมีทั้งศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวแล้วเหตุฉะนั้นทมแต่ระบทระบาดของพระสัมมาสัพพุทเจ้ามันก็ครบพระไตพระดกอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับท่านผู้มีปัญญาจะเห็น ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ที่โง่ผู้สร้างบา ร, รมีแก่กล้ามาแล้วมันกระเพงเลยนั่นผู้สร้างบา ร, รมีแก่กล้ามาแต่พบก่อนเช่นพระพาหิยะท่านสร้างบา ร, รมีมาแก่กล้ามาแต่ข้าพระเจ้ากัชปะผลักบันไดทิ้งขึ้นไปอยู่ในภูขเขาเวลานี้คนแม่รักษาศาสนาแต่ศาสนายังอยู่ไม่เคารพกันตาม ผูน้อยผู้ใหญ่พวกเรานี่เถิดก็ขึ้นไปภูเขาไปถักบันไดทิ้งซักในข้างพระเจ้าข้าตปะขึ้นไปนะสี่ห้าองค์ด้วยกันถักบันไดทิ้งใครดีก็ไปบิยนธบาตมาเรียกกันใครไม่ดีก็ตายกันอยู่นี้นะพวกเรายันทิ้งบันไดลงเถงเลยส่วนจำพวกหนึ่งท่านสําเร็จพระหรันจำพวกหนึ่งท่านเป็นพระอนาธามี ส่วนพระทาหิยะทารุจิยะนี่ด้วยอาเนส่งฌานท่านไปเกิดในภพมโลกยังไม่ถึงพระโสดาบันยังไม่ถึงสักขาคามเมยังไม่ถึงพระอนาคามอีอันใดอันหนึ่งเลยพอถึงการศาสนาะพระสัมมาพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยลงมาเกิดพระสมาธิท่านหัดแล้วในชาติก่อนๆทานาญมาแล้วทีนี้ พอมาถึงพระบรมศา ส, สดาของเราพระบรมศา ส, สดาประเทศบาคาถาเดียวรบกวนพระบรมศา ส, สดากําลังไปบินทบาทพระบรมศา ส, สดาก็าอยากจะฟังเทศว่าเออเวลานี้เราบินธบาทอยู่ไม่ควรเออบางทีพระบรมศา ส, สดาสิ้นลมปราณนะบางทีกับผมก็จะสิ้นลมปราณนะเออดีละถ้าคุณพูดอย่างนั้นนก็ไม่ยาก เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเนอครับครับพอแล้วพอแล้วครับนั่นนั่นั่เพราะเหตุใดเพราะท่านเทศอนัตตาใส่เป็นแต่สักวารู้เป็นแต่สักว่าเห็นไม่ใช่แไม่ใค่บุคคลก็เลยถอนอุปาทานในที่นั้นกามุปาทานถือมันกามทิฏุปาทานถือมันทิฏฐิก็ไม่มีศีลพระตูปาทานถือมันศินพจก็มีอัตตาทุป่าทานถือมันว่ะทะว่าตนว่าตัวก็ไม่มีหายไปนั่นที่นั้นเอง นั่นปฏิจจ ส, สมุปบาทก็แตกกระจงไม่ได้เรียงอวิชาปัญญาทั้งข้าราอย่างนั้นอย่างนี้วิญญาณยังวิญญาณนาะปัญญานามลูกปังมารูกปะอ ะ, อะไรมไม่ได้วิชาดับสังขารวิญญาณารูปอายตนาภาาัสสะเวทนาตัญหาอุปทานไม่ได้เรียงแบกเลยแตกกระเจงเลยนั่นนั่นั่น่ น, น, น, นสมมตุติเครื่องที่ค้องคอเราอยู่นี่ตัดที่ไหนาขาดมันก็หลุดไปเลยไม่ต้องเรียงมันนั่นนั่น พระเหตุได้พระเหตุการปฏิบัติมาแต่เพื่อก่อนท่านจึงยืนยันไหวในปัญจกะมิบาทว่าการปฏิบัตินี้ไม่เสียนะถ้าไม่ได้สําเร็จพระอหันต์ในชีวิตอยู่ก็จะได้สําเร็จพระอนาคามีถ้าไม่สําเร็จหรือไม่ฉะนั้นก็จะได้พระอหันต์ในเวลาก็จะตาย หรือพระอนาคามีก็ไม่ได้ใกล้จะตายก็ไม่ได้ด้วยอานิสงของการปฏิบัติก็ไปเกิดในภพใดภพหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าองค์หน้าก็บาดคาถาเดียวนะไปเลยนันะนะัมันไม่ขาดทุนเนะช่นคนทั้งหลายมักพูดว่ามึงปฏิบัติไปเถิดพระหันไม่มีดอกืออ ทำไมตา บ, าดบอดๆจะไปเห็นพระหันใครอยากเห็นพระรหันก็ต้องเพ็นพระหันเสียก่อนเสียนะนั่นะนะไม่มีพระหันดอกมันตัดจินเองมันอมืมันเป็นคนตาดีเอ้าดอกบัวสีเหล่ามีแต่ขั้งพุทธการหรือไม่เอ้าขั้งนี้มีหรือไม่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 ทำไมจึงมีผู้เคารพนักถือพระพุทธศาสนาน้อยนะักตอบได้ง่ายไม่ยากเลยคนวาดาสนาไม่ถึงพระพุทธศาสนาจะไปเลื่อมใสทําไมมะรงวันวาดาสนาไม่ถึงมะเรงพึ่งจะไปยินดีไงเกสอนหรือไม่มันก็ไม่มีนะักนะนะถูกไหม ปีติสาคตาธรร ม, มาเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลปีติสาคตาธรร ม, มาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรู้จักมันปีติเกิดขึ้นปีติสาคตาธรร ม, มาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักว่าธรรมสุขาสาคตาธรร ม, มาเป็นสุขในปีติด้วยทัศนีนภะหาตภาธรร ม, มาเห็นธรรมตามสติกำลัง ขอแต่ละลายบุกคนอะไรที่เขาไปทั้งอื่นทั้งอะไม่เอาให้กันห้องเรากรเดียกไม่เอาให้กันห้องว่ได้เวียกปิ๊บดังปิ๊บเต็มไม่ดังปิ๊บเต็มไม่ดังปิ๊บดังไม่เต็ม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 พ ร, ระลักษณ์บอกว่าเฮตนาตายยังก็ได้ที่มันเป็นเพจได้นี่เพราะฉะั้นห่วยกันว่าเป็นสนักหน้าโตมันก็เป็นเพจเด็กคันว่าของขี่กระตือพระพุทธเจ้าอะไรมันก็มดเรื่องเพราะฉะนั้นห่วงขี้ถูกไหมถ้าว่าเป็นซาราเรามันก็เป็นปเป็ดสิถ้าว่าของพระบรมศาสนาอืมปัตตุลละปัตตะวะของท่านดอกแล้วมันก็มดเรื่องใช่ไหมน่านะาน่น่ น, น, น, น, นติดไมค่คขาด ข้างมาพุทธการนางวิสาขาสร้างถวายทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสาวัดถีมดยี่เก้าโกดกระเป๋าเดียวนางวิสาขายี่เก้าโกดสิบลานจึงเป็นโกดเอาเก้าไปคูณยี่เก้าเอาสิบ ไปคูณ29บเก้าดูหูจะเป็นกี่ล้านสิบเก้าเก้าสิบทดเก้าบสองยี่สิบเป็นยี่สิบเก้านั่นสองรยเก้าสิบล้านคนเดียวของนางนน น, นเราจะไปดูถูกว่าข้างพุทธการไม่พัฒนาพัฒนาทั้งวัดถูนิยมทั้งอุดมคติด้วยอุดมคติก็อย่างตา่ก็พระสวดาบัล น, นั่นนั่นนั่ น, น, นเอ้า อาณาถาปินทิเกษตรถีสินี้สร้างป่าเชิตะวันมหาวิหารป่าเชตตะวันเป็นชื่อของไม้มดสี่สิบห้าโกดกระเป๋าเดียวสี่สิบห้าโกดเอาสิบไปคูณดูดูใครตื่นบ้างอย่างนี้หรือใครตื่นบ้าง ผู้ใดตื่นสะดุ้งเพราะอยู่ห่างเหินกรรมฐานผู้ตื่นสะดุ้งเหมือนเนื้อสมังในป่าพรัดของเขาไม่เจริญตุ้มอ่างนี้เลยเดี๋ยวเดียีสอผ้าโกดอ้าวเอาสิบไปคูณดูดูสิบห้าห้าสิบสิบสี่สี่สิบเป็นสี่สิบห้าีร้อยห้าสิบโกดสีร้อยห้าสิบล้านใช่ไหมนั่นัก นั่นนั่นกระเป๋าเดียวเต่พวกเราเนี่แผลขอๆกันเลยจะตายแต่ไม่มีมันจะแผลกี่น้อเนี่มีมาก็ทำไม่มีก็ไม่ทำทาพุทธาพิเศษพิสันสารพัดเออเออแล้วดูถูกข้างพุทธการว่าไม่มีวัตถุนิยมลองไปพูดแต่ลบมไห้ชายคามันกตัวอย่างนั่น ที่ดีเราไม่เอามาพูดออืนั่นเราไปพูดแต่ผ้าบางสกุลอยู่เราไม่ลุกขมูลปลาศาสตรมุงปลาศาสตรสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรก็มีหมดในข้างพุทธการเราไปพูดแต่สิ่งที่ขี้ได้เอาไปพูดใส่พุทธการสองห้องเก้าคํามตาลทั้งแทงยอดโซฟาพี่ลาแก้วน้วยนิ่นเน่มันมีห่ดสองห้องเก่าข้ามตาลทั้งแทงเดี่ยวนี่ดีปรดีเอาข้อพระกลุ่นไปปาด เอาคอพระพุทธร่ไปไปเฉือนทุกวันนี้นะกนะักนเราจะไปดูถูกข้างพุทธการไม่ได้ข้างพุทธการคราวที่พระบรมศ า, ศ า, ศ า, ศารดาแสดงยมกปาฏิหารก็พวกครูทั้งหกอธิเดกราบของพระบรมศารดาเพียงบั้นเอวกองผ้าทั่วเลยนะัพวกเรานี่ ได้เปลี่ยนผ้าปีละปีละชุดก็ว่าตนเป็นผู้ไม่ราบพระสีวลีเจ็ดวันเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะนันะนะนะของเก่าท่านเอาไปที่ไหนท่านก็ไปให้คนอื่นเสียนะทีนี้ในในพระใตรปิดกเขาขับเกวียน เอาน้ำอ้อยตามหลังพระห้าร้อยเล่มนั่นนั่นนั่นทุกวันนี้มีที่ไหนนั่นนั่นนั่นในธรรมบทน่ยถ้าไม่ถูกก็ไปเผาไฟทิ้งซะเอาไว้ทำไมนะเยอะๆๆมันจะได้แจกหนังสือกันอักโหอักเคอยู่นี่อ๋อา๋อชาติการเวียน พวกเราไม่ต้องทำวัดกันก็ได้มันสองสามพรรษาเท่านั้นพวกเราฮะเห็นมสิฮะมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงสิอืมาไม่เป็นเรื่องจริงก็ไม่สนใจมันก็พอดีพอดีอยังไง เพราะคุณอินมาเบียงวอนให้ผมทําถ้ า, าว่าคุณอินไม่มีไม่มีเบงวอนให้ผมทําผมก็ไม่ได้ทําทีว่าประวัติมาเบียงวอนอยู่สองสามปีผมจึงทําแต่ถ้าหากว่าผม ท, ทําทีหลังหลวงปู่เทศหลวงปู่มหาก็ไม่ได้เป็นก็ไม่มีพยานอีกแล้วเดี๋ยวนี่มันต่อหน้าหลวงปู่มหาแล้วถ้าไม่ถูกที่ไหนท่านก็เคกเพงเลยนะเพราะอยู่ด้วยกันเพราะเห็นอยู่ด้วยกันมันจะถูกมัดเนี่ย เพราะมันเป็นเรื่องจริงเรื่องประสบการณ์มาอย่างนั้นไปอาศัยท่านไอาการแบน 2,593 ไปพักอยู่ที่วัดปากคลองกุ้งพอตกเดือนมิถุนายนมาก็ไปภูเก็ตพังงากับหลวงปู่เทศเทศสดางสีนี่ หนังสือทุกเรื่องหนังสือชีว่าประวัติของผมมันเป็นเรื่องจริงทุกอย่างเลยประสบการณ์มาอย่างนั้นสมัยนั้นหลวงปู่กองมาเป็นพระที่มีอายุพรรษาน้อยกว่าหลวงปู่เทศเชื่ ว, ว่าปัญญาเก่งเจงหรือไม่เก่งจนเอาหลวงปู่มันออกมา ออกมาวัดสุดทาวาดได้เอาหลวงปู่มั่นออกมาสุดทาวาดได้หน้าโยบายของหลวงปู่กองมาเนอะเออดุก็าตามดุหลวงปู่กรงมาท่านก็ยิ้มโดยเคารพอยู่สำคัญในจิตหลวงปู่กงมาเลยจิ่เย่งจิ่สูงเออทีแรกก็บอกว่านิมนองค์หลวงปู่ออกไป บ้านม่วงไข่แต่พอออกไปแล้วมันก็มืดท่นทานก็ไม่อยากไปมันมีในชีวัตรวัติแล้ยจงอ่านดูนั่นเถิดทีนี่จะพูดอะไรก็พูดกันซัทีนี้ทำอะไรไปอีกฮะฮะ เออเหนื่อยอยู่เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่ายินดีในหมู่ยินดีในญาติในโยมก็เลยกลายเป็นหายเหนื่อยไปพุทธธรรมสงเนพานพุทธธรรมสงเนพานกระเวลากราบอย่าไปลืมพุทธธรรมสงเนปานไม่ได้กราบเพื่อแก้ตัวไม่ได้กาบเพื่อเป็นพิธี Aha! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. เสีทียเสียทียเป็นอาตะใส่เนี่เสีเทียป่ะพอได้ยินว่ามหาเถระอย่างนี้ก็โอนพัดเลยไม่ได้กักตุนไว้มหาเถระอย่างนี้ไม่ได้กักตุนไว้โอนพัดเลยโอนถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายไม่ได้กักตุนไว้ มหาเทระชั้นที่หนึ่งคือพระสมานเจ้าพุทธเจ้าทั้งหลายมหาเทระชั้นที่สองคือพระปัจเจกทั้งหลายมหาเทระชั้นที่สามคือพระหันตาขีณาศพทั้งหลายชั้นที่สี่คือพระอนาคามีชั้นที่ห้าคือพระจักกาคาามีชั้นที่หกคือพระโสดามันเบื้อ ง, องบามหาเทระทั้งหลายเหล่านี้แหละ พวกเราทั้งหลายเนทำผิดท่านด้วยกายกรรมสามวิกีกรรมสี่มโนกรรมสามอันในอันหนึ่งมาแต่พวกก่อนก่อนก็ดีในปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีด้วยเดชพระมหาเทระทั้งหลายเหล่านั้นจงจงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้พวกเราให้อโหสิกรรมแก่พวกเราอยู่ทุกเมื่อ ผลสุดท้ายพวกเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึนไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกหน้าเถิดในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี่ก็ดีที่มาในมาในที่นี่ก็ดีต่างฝ่ายต่างได้ทําผิดกันด้วยกายกับกรรมสาวิกีกรรมสี่มนุกรรมสามอันใดอันหนึ่งก็ดีพวกเราทั้งหลายทุกท่อนหน้าทั่วทางใจโรกาจงให้อโหสิกรรมแก่กันและกันอยู่ทุกหน้าไม่มีประมาณพวกเราทั้งหลายทุกท่อนหน้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบบและพุทธศาสนา ของสมายทวโรทยเก้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเถิดอหัางตุ้มให้พิมีของอิศรางเอวังโฮตุเอวังโฮตูโยชปูเบปรมัติตวปัจจาโยนปรมัตติช่วมังโรกังวพาเศริฐีพมุตโตวิชันตีมายัตเจาภาปังกระตังกามังกุเสเรนปะิต่วมังโรกังวพาเศรษีพมโตวิันตีมาอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาไปใจโนจัตตารธรมาวัฏานติอายุวโนสุขังพลัง ทำวัดทั่วทั้งใจรสชาติมันไม่บาปหรือมันไม่บาปสิเพราะเขารบธรรมอันที่ไม่มีเวรไม่ภัยมันก็ไม่บาปสิเขารบธรรมอันไม่มีเวรไม่ภัยเราทำวัดทั่วทั้งใโรสชาติมันไม่บาปหรือไม่บาปเพราะวางเวรวางภัเสียงปล่อยเวรปล่อยภัยมันจะ บ, บาปทําไมเขารบธรรมอันที่ไม่มีเวรไม่ภัยนักนักนักนะ ที่นี่มาทำวัดท่านอาจารย์ไว้มาทำนัดอาจารย์เบียนซามาโดนไปมันจิจามันสีโรนไว้ๆทำท่าเพิ่นบัตกกันหาเพิ่นทำท่าปวดอุจจาระปัถวาที่วัดที่ทำทำวัดที่ทำทำเลยนี่ยเอ้าเหนี่นี่เอ้ามู้นี่เออทำอีกเอ้าทำขึ้นไปขึ้นมาเออมันงจ้างได้บุหรไยเอ้าอืมรักไหมเพิ่นน่าบุษราเพิ่นเอ้านี่เอ้ามามาทำมู้ฮะแจ้งมาแล้วบ่พระห้ามาเมื่อ้วบ่ พระเฮาจะใส่ไงบ้ามากเลยพระเฮาอ๋อปีนี้นักนักปีนีพระหกชี้สองนี่หกเป็นเป็นหกแปดีกายนี่ ปีไกลหาชิบแปดหาชิบเก็ดปีกอนาหาชิ 58, บแปดต้นมะละกอต้นเล็กๆลูกมีมากมันก็พาลูกโคตรตายทีนี้ความดีความเด่นความชั่วมันไม่ขึ้นอยู่กับคนมากหรือคนน้อยมันขึ้นอยู่กับหัวใจแต่ละท่านแต่ละคนดอกถูกไหมนั <c oughs> ม่นไม่ขึ้นอยู่กับคนน้อยคนมากมันขึ้นอยู่หัวใจแต่ละท่านแต่ละคน โอ้บามาเฮ็ดบามาอันตรงทํำสังเวศเฮ็ด้นท่างอันข้อจิตขึ้นมาให้ได้นะนี่บุญหลายอ่ะว่ า, ยาหยอกไอเสยรอกว่าเปาโไอเสรอกมันผสมท่างข้อจีดเรสมเป็นกระ ทุกในโลกเนีย่ยเพื่นเราเพื่นทุกผมเถียงในใจเด้ว่ท้อข่าบ่ท้อข่าไม่เท่าข่าไม่เท่าข่าเถียงในใจเลยท่านพูดเรื่องทุกในโลกเนีย่ยไม่เท่าข่าไม่เท่าข่าข่ากับนางประจาตาลาราก็คล้ายกันคนในโลกเนี่ยทุกไม่เท่านางประาจารตาลาเราก็เหมือนกันเท่าประตาจาราเหมือ น, นอะไรทุกทุกขนาดนั้น ฝนทั้งเป็นเข็มเอาไว้ที่หลังแล้วเล้วหวายยี่สิบวาให้สอดก้นเข็มได้จึงมาบวชในพระพุทธศาสนานี่ถ้าไม่โสดเป็นโสตาอย่างนั้นอย่ามาเลยในทางปฏิบัตินั่นนั่น น, นันนันน่ฉันก็ขึ้นภูเขาถือเป็นเรื่องเล็กน้อยฝนทั้งให้เป็นเข็มก็ถือให้เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นอย่ามาเป็นกรรมฐานเลย ส่วนท่านผู้บวชทั่วคาวน์ยกไว้ถ้าอย่างนั้นมันไม่มีเวลาบวชเวลาราชการมานี่นี่นี่นี่นี่มีไหท่าวัดเพิ่นบ่บ่ยอมไม่ยอมเพิ่นอาบุญมาให้อะไรเหรบเอาเดี๋วมาเพิ่นอาบุญมาให้อะไร เท่าเอื้นบุญเพ่นเอาบุญมาให้จักบก่น้อม่เห็นหรแล้วเราพระผาเทาไปรใช่ไหมล่ะนี่เดี๋ยนะผ่าไปเท่าไหร่เม่ะมาแล้วบเ่เอ้าเอ้าเฮ็นเธอแม่พระเทาไปนีอย่าั้ออกมาเทอแม่ อ, อ, อูอกอกญาดอกเอ้ากลับเาคุณเออกลับอ๋อเขาสิญาเอาอวน เราจะนอ่นรับหลายลื่องข้องเหลือหล่นเขาจักว่ายุกคนโคเลีทั้งไตรลางการเกษตรเสียงไส้พระยามาจุราเนี่ยมันสามารเอาไปเฝ้าลูกปฏิบัติสิ่ธรรมเฝ้าปฏิบัติสิ่ธรรมเธอตาผ้าโร้มันจักเป็นเปรโตเผดเน่าแนหมอนรู้จักว่าอบายจะบุกปัญีปัญหายก่เธอผ้าโร้มันจะเป็นเปรโตเพดเน่าแน่หมอ คนบ่มีวัสนาคือคนอย่างไรคนบ่เหลื่ยมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดียวว่าคนบ่มีวัสนาเขย่าบ่คนบ่เขย่าของดีมันคนเหลื่อมใสในพระพุทธพระธรมะ <c oughs> รมพร ะ, พระงสงฆ์เป็นคนมีวัสนาเป็นคนสั่งบารมีแก้กล้ามาแล้วเข้าใจบ่มันจะมาสั่งบุญตอเอกผู้ที่บ่เหลี่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญไม่เป็นตัวจังไงบาไม่เป็นตัวจังไง ไม่ก็กปไปโตจงั ง, จจงผู้รรว่าวศศรรยุยนี่แหละมันจะไปโตจังไรไอ้สั่งจะเป็นโตจังผู้พิเสธอยู่ยฮะเสียงเว่าพิเสธบาปบุญอ่ะมันมันเสียงว่าอื้ยเลยเสียงตอบเสียงเสียมขุดสิดินฝังเจ้าของมหาเทระสั่นทีหนึ่ง คือพระธรรมาทั้งพุทธเจ้าทั้งหลายสั้นที่สองคือพระปัจเจกทั้งหลายสั้นที่สามคือพระละหันตาชีนาศักทั้งหลายสั้นที่สี่คือพระอนาค้ามีทั้งหลายสั้นที่ห้าคือพระสกทาคามีทั้งหลายสั้นที่หกคือพระโสดาบันทั้งหลายเบื้องว่าพระมหาเทระทั้งหลายเ่านี้ มีอยู่ทุกการทุกเวลามูเฮ้าทั้งหลายใน้ทรมพิดเพนด้วยกา ย, ยากรรมสามวิจีกรรมสีมโนหกรรมสามอันใดอันหนึง่งมาแต่พอก่อนว่าก็ดีในวัชวันนี่กด็ดีจะเป็นไปในขงนังลาก่าดีขอให้พระมหาเทระทั้งหลายเรานันจงต่องอธิษฐหนแกเฮ้าอยู่ทุกเมืองมีประมาา ผลสุดถ่ายมูเฮาทั้งหลายจงผสมแต่ความสุขความจเจริญแน่บอกว่าพระพุทธศาสนาของพระเจามาซ้ำพุะทัเก่ายิ่งยิ่งกันไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยุทเมือพมีประมาณก่อคาเทินในระวางมูเฮาทั้งหลายทุกถนนาทั้งแต่โลกาธา ต่างฝ่ายต่างเด่ทำผิดกันด้วยการยกรคำสามะจีคำซีมโนคำสามเมื่อในภพกรชาตกรกว่าดีในปัจิวันนี้กว่าดีมูเข้าทั้งหลายทุกทุนหาทั้งต่ายโลกชาตต่างฝ่ายต่างให้อโหสิกรรมแก่กันทุกทุนหายุทุกเมือบ่มีประมาททั้งยืนเดินนั่งนอนรับเตือนตามต่อเท่าขอตัวพายในบ้านผลจากทุกในมาตาทงสายทุกเมือบ่มีประมาในคอข่าเทือนเข้าทั้งหลายจ้องประสบดั่ความสุขความเจริญทุกๆด้านทุกๆมุมในทางเที่ชอบ ยิ่งๆงข้นไปจนถึงที่ทุโดโทรมสอบถามรทงเราเพระมีอพอมระมากคบคาทืออาหังตุ้งเฮหิพิเมฆมีถาังยัตสปาปังกระตังกัมมังกุสเรนะปะหิยะติโสมังโลกังพระพาเที่อภุมตโตวัชันเทมาอภิวาธนาสีกิสสะเนจังวุฒาพระจายิโนจัตตาโรธรมาวัชันเายุวั น, นโนสุ ข, ขังภะรังใจในพระพุทธธรรมประสงค์ขณะเก็หนึ่ง ดีกว่าสนใจในสัพพไตโลกธาตุล้นนานล่านคณะจิตอารมณ์ของภูคือพระพุทธศาสนามันเป็นอารมณ์ไปส่วนดีเป็นส่วนมากถึงไม่ซัวมากับปน ก็รู้ตัวกับว่าสามารถจะโคมไปมากเพราะมีพระพุทธศาสนาใชงหัวใจเป็นดิงอยู่ เ, เป็นเครื่องเตือนใจอยู่พระพุทธศาสนาสอนเบื้องตน้นสอนให้ทำว่าหากินในทางที่ชอบสอนเบื้องกลางสอนให้รีบเปล่ง ปฏิบัติสินทำควบกันไปสอนบืองฝ่ายเลีวเด้อเร็วเด้อเร็วเด้อมาสันเนื้อจะตายก่อนได้มาสันเนื้อจะเสียใจในผ้าหลังสอนบืองฝ่ายสอนแถวดวนให้ฮัดผ้าวันหน้าไว้ยามไกลจะตายมากกันจักใดเอามาเกลียมตัวอันสั้นว่าป่วยมากแล้วเอาหน้าไมากินเอ้ย มะล่าวุจิร ะ, ะปัสวะเห็นไหนมมะซอยพริกแดนี่ว่าสําคัญไหนว่าสั้นปากว่าไรตีงว่าไรว่านอนข่าขี่ข้ า, าเาี้ยวคนมิตรล่ำหายใจเบื่งเสียนั่นและพริกใจถือกระถือว่าถือกับเพงกันละบาดเนี่ยเอาบระัตผ้าวานาไว้ย่ามเมืองหัวข้อสั้นบัดยามหัวข้อเ ข, ขินเป็นแหงเกินเกินกินยาก เป็นค้นไหย้ยาเสียใจไหวน้ำเพินหวังเพิงตนอยู่ทุกมือทาพระเจ้าสั่งสอนเพื่อเหนือก็อยั่างตกไตน้าพัดไปก็อยั่งพาดถ้าม้อลมาดนาดแล้วใจเจ้าจักเพลิงไผหวังให้ผูอยท่าหลังทําบนไห่ก้อยแสนไก่ลานโนดตามก็ยเยมขี้มาการล่วยบนสวยว่หฮอนถึงขั้นตายไปใหม่อเว่ีจมอยู่ดังฤทธกุศลี่ไปวดใดนหัน ขวงแท่นาสมควนแล้วนิทิตายศจอดมาหอดหนีถวายไว้ที่สูงแดถืนเจ้าเอ๋ยขมูลาเกิดขึ้นว่าได้อันนั้นตังตื่ติวเมต่ไหร่หลองเรีวลองหองวันตายยักอายสังคารเด่หอยเพ่พันแตง บาสงเกตคอยผูกไหวห่วงเจ้าถัเพิงผ้าขันปัญญาบอหวนเห็นนี่เมีเ ม, ด, ม ด, ดบังบอได้ฝังขุมท้ำนำใจสงแจกิดใจก็เล่อยเหงแสงพระถ้ำบอนำทรงควอมหลงไหลนับมือกุ่มกลุ่มเกี่ยวเกี่ยวใจถ้าใดพี่กานาเตรียมไหวค้อมหลงไหลก่อถอยออกพี่กานาอยู่ไรอยู่เอยจนใจตั้งเทียงถ้ำ กำระอ่าจักนํามาสางในสองสารนับมือหางเพราะไร ด, ดวงแก้วขาําพระเจ้าอําเพื่อว่าเหืองน่ารำชักเถงนี่ผ่านถ้ำเป็นแนให้พี่แก่น่าแทะแทจ๊กเข็นแจกแจกใจดอกน้าคําบลรางกินตะไคร้พูดเรื่องจริงให้เขืองเพื่อให้ภัยรกรในเชิงกราบนะมันเป็นเรื่องจริงเนีย่ย เฉลิมเป็นวันฉลองพระอายุของพระบรมร่าที่นี่นาครบรอบ60ปีคนทั้งหลายภากตันตกเขาหามาเพา่อพระธรรมประสงค์ยังโดยกุศลผลบุญผลผลู้นี้บุญไม่เป็นตัวจังไหนก็เป็นตัวจังสั่นตัวเห็นเป็นเขาเป็นงาน่าได้ันชน้นคือว่าคือค่อยเ่า มาด้วยอํานาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปด้วยอํานาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงเสี่ยนี่ผูเข้ารบนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพี้ยงเขาง่วงก็ตามกาได้ก็ได้แต่ของดีๆมันของดีต้องไม่น่อยขันไม่ร้ายบ้นกรเฟื้อให้เจ้าของทัวทั้งๆไตโลกธาตุ ท่สมโซกับเพื่อตนและไตโกรธาตุผู้ท่อมโซ่เพื่อมันกับเพื่อจะได้ตัวเก็ยจใจเป็นม่อลนกดังเดิมทีเอาออกไปฆ่าบุญฆ่าบาปเก่เอาออกจากเกียจใจนั่นแหละกำไลกับมหาเกียจท้ายไก่ฮะเพราะมันเป็นผู้หูงจั ก, กรมูผู้ลังค้นพรว่าหลวงปู่ไล้ผีออกหไห่แน่มาแทนไร่ผีก็ไร่ออกกักไก่แล้ว ใจว่าถือผีผีกับวยุหันใจถือผีผีกับยุหันผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นสูตรนะเถื่งห่องลมห่องเทื่งนี่ฉันชอบเย็นนะฉันนี่ฉันที่ขอจองท่านพัดลมว่าสั้นนี่คนนี้ร้อยเอ็เนี่ ดิฉันที่เอาหมดนะฮทั้งรุมกับแม่น้องเราทั้งเธกับแม่น้องเราสอบมืดดิฉันที่ขอเอาไฟนะพ่วงไฟเมื่อไรดิฉันก็สี่เอาเนี่ยกันเอาไม่ได้แพ้แลยขอใครจะาได้เล่แพ้ว่าขอจะแท่แกับมาเอามาหาเว้ย มันห่อนหอดไทยเทวาราชอินตาหินศิาลาอลไแกนแข็งกระด้างนินสัยของโตเป็นข้อขอปเปลีคยนห้งหางไม่เมะมาในชิดทั้งซีขันหัวจักคือข้าเจ้าสิเพ่งโทษเท่าโอ้ยพระขีทุกองนี้กูเข้าไปนี่ีขออี้ยงกูนอคือสีบอาจังสัน่นีง เขพอถามเขาก็ บ, บอกเดี๋ยวนี้สร้างกุฏิวิหารอะไรอันนี้ถ้นนามาว่าข้าเจ้าถามขาเขาเจ้ากขาบอกไปเป็นค่ํำๆเสียงตีไม่เฮ็ดยังนะสันถ้ตีไม่เฮ็ดกุฏิเฮ็ดซาร่าสันเขากระไรเอา่นก็บอกแบบว่าไม่ไปขาดอันนั่นบ่พออันนี้ขอให้คนโยมช่วยบ้างนะสันสิบ่ไมีในยเฮาพูดได้เพีงเพียงเพียงเลยอันนี้เทวดาโยนโมนีเป็นมูใคร ย้อนต้นพวกใหม่หมาคือตั้งขั้มซั์ได้ว่าสิบพพาพัดตัดเนะบ่พพาบัตัดตั้งขั้มซั์ว่าสิบพยานอนในโรงพยาบาลกัรรักษามาได้ถึงห้าหกปีเนี่ยมุดห่วยปี้มาณสิบสองประมานสิบสองปีไหมตั้งยี่สิบปีรักษามาเลยป่วยอยู่ไปกวาดโรคอยู่ห่างพยอมนอน เฮ็ดกระทบกระเทือนโลกวะวอบริเฮ็ดดอกคู่บาอายการพ้นไปนอนบ้านไหนพ้นท้ำประโยชน์ให้แกเขาเขาได้กำไรส่วนตัวนี้ไปบ้านไหนกันนักว้นหันนั้นแล้วอํานาจวัฒนาตัวพ่อีเออเอาอย่างตีต่างเอามาให้เพิ่นในเนี่ได้เพาะอาไม่ที่กตีต่างมากก็ได้ดอกมันกับวัฏถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ แหล่มามะเกเนี่ยผ่านสมมัติหนาเดียวนัว่นแหละผู้ยังอ่อนอยู่กับมนุษย์สมัติสวรรค์สมบัติพรสมบัตินิพานสมมัติแลว้วไอ้ผู้แก่กล้าไม่ได้กับอุปมาคือง่วมันอยู่ในคอกตัวใหญน้อยก็บสร้างไงกับตามมันอยู่ไตประตูพ่อหน้าข้อบานเปิดประตูมันก็ออกก่อนมู ชันไรก็ดีผู้สางบา ร, รมีแก้ก่ามาแลวก็รีบเร่งเพ่งเพี้ยนผ้าวนหน้าต้องออกจากกรมูไปมาตัวไรมันขาดีมันกระเล่นออกก่อนมาขาหักทิมมาขาหักไกวทั้งหลังโตกระเบ่้อยไม่มาจะเตือดอกเคยมีแต่ไายตัวเดียวตาบอ ด, บอด ผู้เห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ผู้นั้นก็เปิดประตูพันิพานอยู่ในตัวผู้ใดเพิดเพลินในวัฏสงสารผู้นั้นก็เพิดเพลินในหลุมฐานเพลิงทำชั้นสูงคำว่าวัฏสงสารแล้วมีแต่เกิด แต่แก่แต่เก็บแต่ตายแต่ไม่สมประสงค์อีกด้วยเพราะพระอนิจังพระทุกขังพระอนัตตาเป็นผู้ปกครองโลกอยู่แล้วเหตุฉะนั้นท่านผู้สร้างบา ร, รมีแก่ก้ามาแล้วจึงดิ่งยินดีในพระา槃โดยถ่ายดียอ่อโอนไปเอนไป ให้ทานข้าวเม็ดหักผักเส้นหนึ่งก็โอนถึงพระนิพพานด้วยพุทธโธคำหนึ่งก็พุทธนิพพานธรรมนิพพานสังฆนิพพานเลยไม่ใช่พุทธเลขทำเลขสมเลขทีนี้จิตใจของท่านผู้นั้นหรือเหล่านั้นก็เป็นเจตนาโลภุตาละทำชั้นสูง